จากเรื่องของป้าแมวครับล่าสุดตอนนี้หนึ่งนาฬิกากับอีกประมาณ9้านาทีเราจะมาปิดสาปิดท้ายกันที่สายของคนนี้ครับหลายคนรออยู่สายของคุณคิงครับคุณคิงมาพร้อมกับประสบการณ์ที่ได้ยินได้ฟังมากับเพื่อนๆน้องๆที่อยู่ใน Facebook ครับแล้วก็มาเล่าเรื่องนี้ให้กับคุณคิงแล้วคุณคิงก็นำเรื่องนี้มาถ่ายทอดต่อ ให้กับคุณผู้ฟัง The h o s t Radio ของเราได้ฟังกันครับวันนี้มาสองเรื่องสั้นๆครับที่พี่บัตรบอกมาเรื่องของลางสังหรณ์และก็เรื่องของหน่วยฝึกหลอนครับ King of h o s t มาแล้วครับตอนนี้อยู่ในสายกับผมเป็นที่เรียบร้อยครับสวัสดีครับคุณ King ครับสวัสดีครับพี่แจ แฟนขับแฟนรายการนี่ถามทุกสัปดาห์นะครับคุณคิงเมื่อไหร่จะมาเมื่อไหร่จะมาวันนี้มาไหมทนกระแาไม่ไหวครับคุณคิงต้องมาขอบคุณมากามขอบคุณมากครับคุณประเด็นผมนขอขอขอรูปหน่อยสิได้ฮะ่ะอ่าพระเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเหลือแต่ว่าจะยกไปว่านี้ผมตรูปไปทางเฟซของทิบัติเมซาทิบัตรพี่พิจารณ์อยูอย่างหรือเปล่าแนะอย่าอืลตอนนี้ได้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวยกไป ยกไปถวายครับได้ฮะถ้ายกไปถวายถึงที่ตั้งเสร็จเมื่อไหร่อย่าลืมส่งรูปมานะเราจะได้เอามาโพสต์ที่หน้าแฟนเพจของ The Coast Radio นะครับสําหรับท่านที่ร่วมทําบุญไปกับคุณคิงอนะครับครับอนุโมทนาสาธุด้วยครับสาธุสาธุสาธุครับเอาละฮะมาว่ากันถึงเรื่องนี้สองเรื่องสั้นๆนะครับเป็นเรื่องที่คุณคิงได้ยินได้ฟังมาเหมือนเดิมครับผมใช่ครับได้ได้ฟังได้ฟังมาจาก เอ่อ เ, เรื่องแรกคืเป็นเรื่องของคุณพี่ท่านหนึ่งที่เขาเน้นย้าว่าอยากจะให้ผมนํามาเล่ากั บ, ร, บรายการพีแจ็คมากเพราะว่าเข า, ขาเป็นแฟนคลับและเขก็ติดตามพีแจ็คมากเรื่องคราวนี้คือเป็นเรื่องประตบการตั้งแต่สมัยที่เขายังเป็นเด็กๆอยู่ออื ก, กัได้ ล, ละเอาเรื่องแรกก่อนนะครับเรื่องของลือางสังหรณ์เรามีเวลาตรงนี้ประมาณสักห้าสิบนาทีเอาผมให้สี่สิบห้านาที นะครับเพราะว่าถ้าห้สิบนาทีเนี่ย facebook ไลน์มันจะตัดโปะเลยตีสองนะครัทันทันไหมฮะน่าจะทันครับโอเคคุณคิงครับเรื่องของลางสังหรณ์เรื่องแรกเป็นยังไงเชิญเลยครับเอ่อด้วยความที่เวลาจากัดนิดนึงเนาะผมจะพยายามเอาแต่ตรงส่วนสาคัญเลยก็คือเรื่องนี้เป็นเรื่องของุพี่ท่านหนึ่งก็ไม่ไม่ไม่ไม่ต้องการให้บอกชื่อนะฮะได้ครับเขาบอกว่าในสมัยที่ เขาเป็นเด็กๆอยู่เนี่ยครับย้อนกลับไปว่าสมัยที่เป็นเด็กช่วงนั้นเป็นช่วงที่รายการวิทยุโดยส่วนใหญ่เกืจะทุกรายการเนี่ยจะปิดแค่ทีสองสาเหตุที่เกิดเรื่องของรายการวิทยุขึ้นมาก่อนเน่ยก็เพราะว่ามันเกิดเหตุการณ์ตรงนี้ครับแล้วก็มีรายการวิทยุเนี่ยเป็นเครื่องยืนยันของระยะเวลาที่เกิดขึ้นคือวิ่ธเนยเขาจะชอบโดนพี่สาวเนี่ยแกล้ง คือทางภาษาพี่น้องอะไรก็จะแกล้งกันตลอดแล้วในการแกล้งกันเนี่ยเขาก็จะเป็นคนที่แบบไม่ยอมอะ่ะถึงแกล้งก็จะไม่ยอมจะไม่ยอมอยู่ให้แกล้งจะเดินหนีบ้างจะอะไรบ้างแต่วันนั้นปรากฏว่าแกล้งกันในเวลากลางคืนซึ่งตอนนั้นพี่เขาจะอายุหน่าจะประมาณสิบเอ็ดสิบเอ็ดขวบเองครับเด็กสิเอ็ดขวบเนี่ยอยู่ในบ้านที่มีห้าชั้นเขานอนที่ชั้นสาม ตอนนี้ฉัถามเนี่ยโดนที่สามแกล้งก็เลยตัดสินใจเออฉันไม่นอนกับเธอแล้วฉันลงไปนอนล่างก็ได้ไเด็กเป็นครอบครัวนครับก็บะะบกลงมาถึงก็มาเปิดรถของคุณพอ่อนอนนอนในรถเลยวใช่ครับจอยรถเลยแล้วก็หมุนจระจกลงหน่อยนึงคืเอเด็กตามมาถายเด็กนอนนะฮะครั บ, บแล้วก็จะต้องบอกก่อนว่าลักษณะของบ้านเนี่ยเป็นทางลงมาเอาผู้หญิงตัวกะไดก่อนกรไดจะเป็นกะไดขัดหินอ่อนแล้วในกระไดขัดหินอ่อนเนี่ยมันจะมีไอ้เหล็กที่เป็นเหมือนทองเหลือง พี่แด๊กซ์ไม่ออกใช่ไหม ท, ท, ท, ที่เหมือนกันว่าเราจะลื่นหรือว่าถลัยเวลาที่มันเปลี่ยนไปเท้าเราเปลียกเงี้ยต้องขอบบันไดใช่ครับอาาแล้วก็มันจะมีที่มันเก่าๆด้วยตามอายุของการใช้งานก็ะจะมีที่มันกระดกขึ้นมาบ้างครับท่านนี้ทุกวินิคลงไปนอนอพอไปนอนในรถเนี่ยเขาก็จะหมุนกระจกลงประมาณนิดหนึ่งเนี่ยไม่ถึงครึ่งนิดหนึ่งฟอยส์หายใจได้ะแล้วก็เอนเบาไปเปิดรายการวิทยุฟังฟังไปนานอะ แล้วคิดได้ใจว่าเออเอาเถือยยังไงถ้าฉันก็ไม่ยอมหรอกแล้วเธอก็ต้องรู้ว่าฉันอยู่ที่นี่แเธอก็ต้องลงมางองฉันวนความคิดของทัสองที่สาวนี่ก็คงจะคิดว่าเอาออไปไหนไม่รอดเราก็คงอยู่แถวนี้แหละเระเด็กจะ่สเอ็ดขวบใช่ไหมฮะต่างฝ่ายต่างนอนงินไปท่านี้ก็เลยไม่สนใจนึกว่าไม่ลงมาตามก็นอนอยู่นี้แหละเปิดเพลงฟังแล้วก็เอ็นเบาไปทันนี้ให้เรานลืกถึงรถที่มีกระจกทางขวากับเด็กที่อายุสขวบเนี่ยก็ตัวไม่ใหญ่มากเนี่ยพอเอ็นเบาไปถึงพวกเลยนะครับ ก็จะมองไปทางกระจกมองไปทางด้านข้างมองไปเรเื่อยๆมองไปมอง ม, องมองาอนในที่สุดได้ยินเสียงของรายกาวิทยุติดรายการวิทยุจะตัดคือทีสองแล้เขาว่าโอ้ทีสองแล้ทําังไงดีรายการวิยว ท, ว ท, นะ ท, ทยกุยกนะ็จบแล้วไม่มีอะไรฟังอะไรก็เลยปิดแล้วก็นอนอยู่งนั้นอแอลาานะทําไม่ลงมาตามนะทำไมลงมาตามนะยูดีมีเสียงของไอ้แผ่นทองเหลืองเนี่ยครับมันดังแจ๊กแลกแจ๊ก คือเสียงกันดังออกมาตลอดบ้านเลย ม, ม, มันคนเดินเหยียบออกมาแบบเดินว่าสบายๆแล้วก็เหยียบแบบมไม่ได้เก่งเท้าเหยียบนิดนึงที่น้ำหนักนะฮะเขาก็เลยกล้มลงมองกระจกนิด น, นึงคือว่าเหลือตาลงมองลักษณะของเด็กที่นอนเอนบอับมองที่กระจกข้างเพื่อให้เห็นข้างหลังออืแต่มันก็จะไม่เห็นเต็มตัวหรอกมันจะเห็นแค่ระดับถ้าเกิดคนเดินมาใกล้รถเนี่ยจะเห็นแค่ระดับเอโอลงไปจนถึงขาแก้มีภาพออกใช่ไหมครับไม่ออกค่ะเขาก็เห็นว่าเป็นผู้หญิงที่ใส่ผ้าถุง ในบ้านไม่มีใครใส่ลายนี้ครับไม่มีกรถุงนี้และไม่มีใครใส่เสื้ออย่างนี้คือจะเห็นเสื้อ น, นั้นบนขึ้นมานิดหนึ่งที่สําคัญในบ้านจะมีนคนที่ผอมกันหมดครับแต่วันนั้นเป็นลักษณะของคนที่อ้วนเจ้าเนื้อเลยแหละเขาก็พยายามมองแต่มองยังไงก็ไม่เห็นหน้าเพราะว่าคือระดับของคนที่เอ็นบ่อ ก, กับสายตาที่มองไปขึ้นกระจกข้างนเลยจะเห็นได้แค่นั้นแหละครับแค่เอวลงมาครับ พยายามเท่งที่จะดูให้ได้ว่าลักษณะไหนเงี้ยมันเป็นใครในเมื่อในบ้านเราก็มีกันอยู่ใช่นี้ล่พะพุกทางนี้ก็ไม่มีใจกระเจ้นติดตักติดตับว่าเป็นใครนะคนที่เราบ้านหรือเปล่าในระหว่างที่กำลังมองอยู่อ่ะไม่สามารถจะเห็นหน้าเขาได้เลยแต่เขามายืนอยู่กระจกข้างๆแล้วอตอนแรกเนี่ยคางเขาจะเลยหลังคาด้านบนขึ้นไปหน่อยหนึ่งอะนรนะคือเหมือนจะผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยยืนจะกระตกับหลังครถหนอยหนึ่งทําให้คุณที่ท่ญญานนี้ยังไม่สามารถจะเห็นหน้าชัดได้ว่า เป็นใไฟแต่ในทันทีที่มันไปได้แล้วค่อยก้มลงมาออเขาก็เห็นชัดเลยว่าเป็นใครและจะต้องสะดุ้งสะุดตัวเลยครับเพราะเป็นใบหน้าของหน้าขาวของเขาที่เขียวช้ำเหมือนคนโนดนทุบโดนต่อยมาทั้งหน้าเลยครับที่สําคัญขัดกลมรองทรงด้วยเหมืนชายเลยต้องตากันอยู่ยงั้นอยู่ครับพักคำว่า พ, พ, พ, พักหนึ่งเนะี่ยนานแค่ไหนก็ไม่รู้ครับ เหมือนกระตึ้งอ่ะเขาบอกว่าระยะเวลานานมากรู้สึกหรือว่านานแต่จ้องอยู่งั้นแหละเขาก็จ้องตามไปาต่างจ้องแล้วอยู่ดีผู้หญิงคนที่อยู่ข้างนอกน่ะค่อยๆเอื้อมมือเนี่ยพยายามที่เอารอดรูและต่างกันแหละเข้ามารูกระจกที่เปิดเป็นช่องว่าอาไว้ใช่ครับพอรอดูตรงนั้นเสร็จปุ๊บเอาแขนเข้าไปจับตรงไหล่ซ้ายคือว่าเรื่อมเฉียดคอไปหน่อยเนื้อเพราะว่าเขาก็โขดคอพี่วิวของโขดคอเพราะว่าเขากลัวว่าจะเอื่อมมาบีบคอ ถึงรู้ว่าเป็นน้าแล้วตอนนั้นหน้ายังไงก็เป็นน้าเองแต่ว่าหน้านี่จะบวมมากแล้วก็ช้าเหมือนคนโดนทุบ โ, โดนตีโดนปล่อยมาเลยอะแต่ก็ยังกลัวเพราะว่ามือในเสี่ยวคอขนาดเดียวจนไปจับที่ไหล่สายออืนานแค่ไหนระยะเวลาไม่รู้รู้แต่ว่าคอทันทีที่ผู้อยู่คนนั้นดึงมือออกไปเนี่ยนาฬิกาในบ้านของที่เขาจะเป็นนาฬิกาแต่ว่าแต็งเต็งเต็งหน่ อ, อ, อมันตีบอกเวลาตีสี่ เท่ากับว่าตั้งแต่นาฬิกาตั้งแต่นาฬิกาวิทยุหมดปีสองเนะี่ยแล้วสักพักก็เห็นผู้หญิงคนเนี้จนถึงปีสี่เนี่ ย, เ, เ, ยเขามองตากันนานอยู่ขนาด น, นั้นนะครับโอ้โหฮะแล้วผู้หญิงนั้นฮัลโหลพี่ได้ยินไหมครับไม่ยินชัดเจนครับครับผมอ่าทันี้ผู้หญิงคนนั้นก็เดินหันหลังแล้วกนะ็หายไปครับพอหายไปเสร็จปุ๊บเนี่ยเหมือนกับว่าสติเขากลับคืนมาอือเขาก็เปิดประตูแล้วก็วิ่งขึ้นไปด้านบนเลยครับ พอวิ่งขึ้นไปด้านบนเสร็จปุ๊บเนี่ยก็เหมือนจะคนนอนไม่ได้แล้วอะ่ะเรพยายามแบอยากจะให้เช้าเร็วะพอถึงเช้าปุ๊บเนี่ยอดใจไม่ไหวก็เล่าให้คุณแม่ฟังว่าเมื่อคืนเห็นอย่างนี้มันเป็นอย่างงี้คุณแม่ก็เหมือนกับว่าคงจะรู้นะฟอเ์อูร์ไรส์สระมันจะเป็นไปได้ไงกันีอยู่กันแค่เนี้ยอนานาจะมาได้ไงอืมดูหลังมากเล่นมาก เขาบอกแล้วไม่ให้ไปทําเรื่องแตกๆประหลาดๆไปทําเงินพลากันโกนผลลัพธ์แพงบ้างอะไรบ้างชอบทําตัวประหลาดก็ะเดือดนเรื่องประหลาดนั่นแหละเขาบอกว่ามันจะเป็นไปได้ยังไงเราเห็นอยู่เปนะ็นตาและจ้องอยู่เป็นคือเขาบอกเราคานวณเวลาละชั่วโมงกว่าๆแล้วช<ม>่องอยู่ข น, นาดนั้นนานมากเลยก็เลยเก็บไว้ในใจแต่ตอนสายๆวันนั้นเนี่ยหน้าสาวเขาก็มาที่บ้านหน้าสาวเขามาเป็นคนเดิมคืออ้วนเจ้าเนื้อเหมือนเดิมแต่ว่าไวผมยาว ทีนี้คุณแม่เขาก็เล่าให้ล้าสาวฟังว่าอย่างเป็นยังไงเนีย้ยดูเป mm ็นเพลเยอร์เลยที่เหตุเขาต้องเล่าผพาะว่าคุณพี่ท่านนี้หลบหน้าเลยนะหลบหน้านะอะไรเหมือนกลัวเหมือนขยะงีงยังไงก็ไม่รู้บอกไม่ถูก mm hmm. เหมือนนีพลังอะไราามาล้วสาวก็ตามถามว่ามีอะไรเจอเหรอออแล้ว เ, เป็นยังไงเออบอกใครไม่เชื่อเดยวไม่เป็นไรนะเชื่อบอกมาเลยเล mm hmm. ให้ฟังหน่อยพอคเรื่องจะเล่าเป็นยังไงแลเล่าแล้วแต่กูแล้ว ร, ร, รู้ไหมเขาเป็นใคร mm hmm. เห็นหน้าเขาชัดไหมหมดชัด เขาเป็นใครอ่ะเป็นน้างไงอน้าเขาก็อึง้งครับคือน้าเขาจะเป็นคนค่อนข้างเชื่อทางนี้หน่อยแต่ว่าแม่เขาจะเป็นคนไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่ไม่เชื่อเลยแหละตอนนี้เรื่องนี้มันก็จากเหตุการณ์ตอนนั้นเนี่ยเขาบอกว่าลืมไปแล้วด้วยซ้ำเพราะมันผ่านไปสองปีปอสองปีถัดมานะครับครสองปีถัดมาอยู่ดีๆวันนึงก็เขาไปแต่งงา น, งาานงกันไปแต่งงานกัน แล้วก็ได้ยินข่าวว่าอ่าก่อนก่อนที่ไปตนนัดอวันเนี่ยน้าสาวเขามาที่บ้านก่อนครับที่ทําให้เขาตกใจนะฮะกลับวันนึงคือน้าสาวเขาตัดผมลองทรงเหมือนกับวันที่เขาเห็นที่ข้างกระจกนะะั่นอะข้างกระจกรถเขาก็เฮ้ยคือผ้าพเก่าๆที่เคยเจอมายยนที่ข้างกระจกรถที่นอนอยู่นะะ่ะมันก็แวบกลับมาอืมทาเขาแบมทำไมถึงตัดผมมี้เนี่ยมแม่เขาก็เลยว่าไปตัดผมอะไรเงี้ยทุเรศ เป็นผู้หญิงก็ไม่ตะกลงนั่นแนะหะนาเขาตอบเขาเร็ว่าร้อนออเรื่องก็ผ่านไปเขาก็ไปไต่จังหวะ<ถ>เพราะไปต่าจัางหวัดไม่นานได้ข่าวว่านาเขาเสียชีวิตจากอุบัติเหตุอืมคือไปนั่งแท็กซี่ไปเนี่ยแล้วก็ามาเป็นจังหวะช่วงฝนตกด้วยแล้วก็รถแท็กซี่เนี่ยกำลังจะเทินพอเทินเสร็จรถไม่รู้เป็นอะไรดับตรงนั้นแหะก็<ถ>เลยจําเป็นที่จะต้องลงรถคนรถไปต่อไม่ได้แนละ้วอก็ลงรถเพื่อที่จะข้ามฝั่งมาแล้วก็จะไปรอรถอีก ที่จังหวัดที่ลงรถมาจะได้ฝนหรือว่าด้วยหรือว่าขาวขาเขาก็ไปรวอมองไม่เห็นรถหกล้อมาไงะจะเลยเฉี่ยวกระเด็นเลยเสียชีวิตเลยลเขาก็เคยเอ๊ะจะเห็นตักผมลองตรงเสร็จแล้วแล้วก็ยังมาเสียชีวิตอีกแต่ยังไม่ค่อยเท่าไหร่เราเราไปดูดวงพวกดวงอะไรนะ่ะเพราะเขาไปต่างจังหวัดไ ง, งตามต่างจังหวัดก็จะมีพวกหมอดูดวงมีอะไรพวกเนี้ยที่ว่าเขาว่าเก่งๆแม่นๆนะตามมาสาเด็กๆเขาสาวแล้วตามเขาไปดูพอไปดูเสร็จก็เขาก็ละเอียก เขาไปดูอกเขาไปดูสิกษะถามหาว่าคนนี้คนนี้นนันนี้เนี่ยหมอเขานั่งเล็กหยุดแป๊บนึงเหมือนกัว่าเขาทรงใครก็ได้อ่ะใครที่เป็นญาติอยากให้ทรงญาติคนไหนที่ตายไปแล้วให้มาบอกอะไรเงี้ยทําได้หมดแต่คนแรกเขาบอกว่าไม่ได้ดูไม่ได้เขาไม่มาออืเขาก็เลยถามว่าทําไมไม่มารู้สึกว่าคนตายจะแขนหาขัดทั้งหมดเป็น ม, มาไม่ได้อ อ, ขอเขาก็เลยตอนแรกก็ยังไม่รู้ว่ า, วาใช่หรือไม่ใช่รู้แต่ว่าหร้อนเนี่ยเฉียว ก็เลยถามว่าแล้วมีลักษณะยังไงอีกเขาบอกคนเล้ยเขานล้งหลับตายเขาหน้าก็าบวมช้ำหมดเลยนะคุณพี่ท่านนี้ก็ผลลุกเลยไงคือแบบภาพเก่าๆมันลอยย้อนกลับมาเลยตัดสินใจโทรกลับไปถามทางบ้านทางลูกหลานเขาอะไรเงี้ยเขาบอกว่าจริงแม่ของเขาเนี่ยเสียชีวิตด้วยการโดนรถรถหกล้อเนี่ยเฉี่ยวแล้วก็หน้าเนี่ยฟ้าดกับพื้นเห็นบอกว่าบวมฉูบเหคนโดนทุบเลยฮะแล้วก็แขนขาเนี่ยหักทั้งหมดเป็นจริงอย่างที่หมอนั้นพูดเพราะว่าหมอนั้นเขาก็ไม่รู้เรื่องมาก่อน เรื่องนี้ก็ผ่านไปก็คิดไปเอ้ในบ้านเนี่ยมันจะเป็นเรื่องที่ว่ามีผีจริงหรือเปล่าโว้อยตัวเองอยู่ในบ้านของตัวเองก็ไม่น่าที่จะมีอะไรเข้ามาได้แต่เมื่อเกิดเรื่องนี้ขึ้นมาแล้วพี่สาวตัวเองก็ไม่เคยเชื่อเลยไม่เคยเชื่อเรื่องนี้เลยแล้วก็ววยังมีการ ท, าท้าทายต่างหากเพราะพี่สาวอย่างที่บอกเป็นคนคิดแจ้งนะในทสุดวันหนึ่งก็ได้เจอกับตัวเองเพราะว่าพี่สาวเนี่ยครับเป็นคนที่ชอบนอนดึกพอชอบนอนดึกเสร็จปุก็ชอบเขียนไดอารี่บ้างเขียนนู่นนี่บ้างอะไรเงี้ยตามภาษาสาวๆไว้ด้วยนะ ประมาณเที่ยงคืนเขาถึงจะตัดสินใจปิดไฟเป็นอย่างนี้ทุกคืนถ้า <Yeah. S 2> นาฬิกาเดินเที่ยงคืนถึงจะปิดไฟแล้วนอนคน hmm. นั้นก็อยู่อย่างปกปติแล้วก็กาลังทําอะไรอยู่ไม่รู้ตัวคนณพี่ทนันยันหลับไปแล้วอันนี้คือพี่สาวเขาเล่าให้ฟัง hmm. แล้วในจังหวะที่หลับไปแล้วเนี่ยเขาก็เห็นว่าหลับไม่มีอะไรทําแล้วขครแกงก็มีเที่ยงคืนแล้วทุกอย่างจบแล้วเขียนอะไรปนะิดไฟออืแต่ปิดไฟซึ่งอยู่ตรงกลายเตียงของคุณพี่ที่เราเลยนะครับ hmm. แล้วก็เดินกลับมานอนที่เตียงตัวเองซึ่งเตียงเขาไดอยู่มุมในสุดสลีมาดตังคือประตูเขามาเจอเตียงคนที่เล่านี่ก่อนแล้วก็ไปเจอเตียงพี่สาวเขาพี่สาวเขานอนเตียงในสุดแล้วก็มองเหมือนกับตะแคงกันนอนไม่หลับแล้วก็มองออกมาทางด้านฝั่งเตียงของคนที่เล่าเลยนะครับก็จะเห็นประตูแล้ว UVD ประตูเขาค่อเปิดออกแล้วก็เปิดแบบพุเป็นคุณแม่ของเขามายืนอยู่ออืซึ่งคืนนี้ครับมายืนอยู่แล้วก็จํำได้ว่ามีม้วนโรผมข้างหน้าเนี่ยสองอัน ใส่จุดนอนที่คุณแม่ใส่ประจำะเขาก็มองอแม่ขึ้นมาทําไมคิดในใจแต่ไม่ได้พูดนะออืคือกำลังเวลานี้กำลังคิดแล้วก็นอนเงียบๆอยู่เนะี่ยคนนั้นก็มองะาคนคุณแม่แล้วก็มองหามองซ้ายมองขวามองอย่เลยมองเหมือนมองหาอะไรทุกอย่างเลยเขาก็เลยคิดในใจว่าสงสัยขึ้นมาหาม า, ามั้งเพราะว่าเพิ่งได้หมาตัวเล็กมามา<ะ>ให ม, ใหม่แล้วคุณแม่ค่อนข้างจะรักะ่ะครับเหมือนจะคิดถึงไม่ไหวก็เลยขึ้นมาละมัน แต่จังหวะที่เขากำลังคิดอยู่นั่นเองไงตัวคุณพี่คนที่เล่าเนี่ยเขาก็พิดตัวไงพอพิดตัวเหมือนแบบคนหลับไม่รู้เรื่องแล้วพิดตัวคุณแม่ที่เห็นอยู่นะ่าประทุก็ ก, กระโดดหมอบหมอบลงไปแบบเหมือนกัตบตะคุ้งไปสักอย่างอ่ะุเห<ถ>มือนลบอ่ะเขาเฮ้ยซึ่งมันไม่ใช่นิสยัยแม่ของเขาเขาบอกว่าไม่ใช่นแน่นอนแม่เขาไม่ใช่คนที่เป็นแม่ท่นออกเป็นคนจริงจังเขาด้วยซ้ำเขาเฮ้ยทำไมแม่ท่านเหมืนั้นนแล้วก็นอนรออยู่นาะนจนกว่าแม่จะลุกแม่ก็ไม่ลุกไม่ลุกสักทีทำยงไงก็ไม่รู้ แตาเล่อยค่อยลุกขึ้นยืนทางโกดูก็ไม่เห็นใครแล้วก็ไปปิดเปิดไฟตรงปลเดียมอื ม, อมปรากฏว่าไม่มีใครสักคนเลยเขาก็เฮ้ยาชาเลยอะคือเห็นแม่ตัวเองเหมอบอยู่ตรงหน้าประตูเห็นชั ด, ชดแล้วประตูก็เปิดด้วยที่รู้ว่าประตูเปิดอย่างชัดเจนแน่นอนก็คือไฟจากบันไดเนี่ยมันส่องเข้ามาในห้องอืมแล้วเขาก็เห็นเป็นแม่เขายืนยังไงก็เป็นแม่แน่นอนและก็หมอบลงไปตรงนั้น ถ้าแม่จะคานหอยหลังไปลงกระได้เนี่ยยังไงนอนมองเย่างเงียนั่งมองเนี่ยต้องเห็นว่าคานไปแลว้วก็ต้องลุกขึ้นยืนลงกระได้ไม่มีใครจะคานถลายลงไปแน่นอนครับแต่นี่คือไม่เห็นเลยทุกอย่างเขาก็เลยว่าเอ๊ะแปกปุกน้องสาวเขาก็คือคุณพี่คนย้อนฝั่งเนี่ยแปลกมากเลยแปกเสเร็จเขาก็อะไรง่วงนอนครับอยู่คนเดียวข้งก่อนคือไม่กล้าไปไหนเลย อ, อยู่ในบ้านก็ไม่กล้าไปไหนเลยตอนนี้จะต้องไปไหนก็ต้องเดินจูงมือน้องไปตลอด เขามากระเล่าให้แม่ฝังแม่ก็เ่อยู่แล้เนี่ยชอบทำตัวประหลาดๆไปทาตัวอะไรไปโกงคล้วแขลงไปตามแฟชั่นอะไรเนี่ยคือคนจริงเขาจะกำลังถือเรื่องอะไรพวกนี้ฮะไปทําอะ่าประหลาดๆผิดผิดไม่ได้ไะเขาบอกเนี่ยแหละถึงได้เป็นอย่างเงี้ยผิดก็เลยไม่ไม่ปกติกันไงเพราะบอกมันไม่ใช่เนี่ยเขาเห็นจริงๆน่ยเป็นแม่เป็นไงแม่แล้วแล้วจะจะขึ้นไปทําไมแล้วที่ยงคืนนะไม่ได้รักหมาอะไรขนาดนั้นเลยแล้วนะอืมมันก็นะอยี่ยงคืนต่อมา มันนอนอยู่อันนี้ไม่มีคุณแม่มาเอคปิดในขณะที่กาลังนอนระแวงระแวงไปไฟเช่นคืนเหมือนเดิมนอนระแวงระแวงอยู่มีเสียงบอกไปอยู่ด้วยกันไหมบุษชัยเฮ้ยผู้ชายอะเสียงผู้ชายอะไม่อยู่ด้วยกันไหมเจ๊งแค่แพียงเนี่ยไปอยู่ด้ยกันเลยเขาก็เริ่มเกรงตัวแล้วไงว่าเสียงนี้มันว่อมาจากไหนอ่าไปอยู่ด้กันนะอยู่กันไหมอือเขาก็เกรงตัวใหญ่เลยเพราะว่าเสียงมันว่จากข้างๆหูครับ ก็วยวายเลยวยยโปลุกขึ้นมาอีกแล้วนั่งกันจนเช้าอยู่แล้วอะไรอยูแล้วอ่ะเนี้ยบอกอืมไม่ได้ยินเสียงยังเงี้ยถามมาเล่าให้แม่ฟังแม่ก็เห็นที่อาการแอะอาการพี่สาวนี่คือว่าคนเป็นพี่เนี่ยหนักนะแต่ก็ยังไม่เชื่อ<ม>คือคนเป็แม่นี่ไ ม, ม่ไม่เชื่อเรื่องพวกนี้ง่ายๆอยู่แล้วก็เลยบอกอย่าไล่สาระให้มาก<ม>แต่ตัวคนเป็นพี่นี่คือไม่กล้าไปไหนแล้วในบ้านเองก็ยังต้องห้องแล้วเนีัยต้องให้ไปส่งอ่ะว่าอะไรนะครับจนในที่สุด โดนอย่างนี้อยู่ต่องสามคืนมาอยู่ด้กันไหมอยู่ด้วกันเลยมาอยู่ไทยแลนดจนต้องไปนอนแทรกระหว่างคุณพ่อกับคุณแม่คือไปนอนตรงกลางเลยแต่ก็ยังได้ยินเสียงจนนอนไม่ได้ในที่สุดแม่เขไเลตัดสินใจพาไปคือความคิดทางบ้านเขาเป็นคนจีนถ้าหมอเชือ้อไทยจีนก็เป็นเต็มร้อยเลยนะครั บ, บเขาก็พาไปทา ง, างแถวเยาวราชซึ่งคนจีนที่จะเรียกว่าแฉแนงอะารเนี้ยนะฮะซึ่งเป็นหมอดูที่แม่นมากครับ ท่านี้เขาพาถือไข่ไปของฟ อ, อ, องเขาบอกว่าเขาคนซื้อเองนะถือเองกับมือด้วยถือไปเนี่ยไม่มีการว่าทางนลเตรียมแน่นอนแล้วไข่ไปให้ดูให้อะไรไปเคาะตอกออกมาดูปรากฏมันเป็นนู่นนี่นั่นแล้วก็บอกว่ามีวิญญาณผีตายหงอ่ะตามริ้วอยู่เป็นผู้ชายครับแล้วก็มันจะเอาไปอยู่ให้ได้ด้วยออืต้องไปอาบแลมที่วัดเนี่ยวัดดังแห่งหนึ่งที่เป็นไปทางจินตีนะฮะออาบน้ำมนตสามวันถึงจะหายก็หายจริงๆครับ แต่เรื่องนี้มันปรากฏว่าในในขณะที่ผมคุยกันกับคุณพี่ท่านนี้นนผมก็เลยวิเคราะห์กันว่าคุณพี่คิดว่าคนที่เป็นคุณแม่ในวันแรกเนี่ยเป็นใครอืมจะเป็นคุณแม่จริงหรือเปล่าก็ได้ความเท่าที่คุยกันนะครับว่าน่าจะเป็นเจ้าที่อเพราะว่าอะไรอาการของพี่สาวเขาเนี่ยโดนตามมาทั้งหลายวันแล้วที่แชร์แม่บอกเชื่อว่าน่าจะเป็นเจ้าที่มาปรปนนากฏในลักษณะของคุณแม่เพราะใ น, นขนาดของการเปิดประตูเข้ามาแล้วมองหา มองมันว่ามีสิ่งแปลกปลอมเข้ามาในบ้านนะแต่ไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนอคุณรู้ว่าโอ้อ้โอโอโ อ, อคือมองแบบอมองมองมองแต่พอเห็นว่าเด็กขยับตัวปุ๊บเนี่ยก็ไม่ต้องการวิจัยให้เห็นไงถึงจะมาในรูปของแม่เลยก็หมอบลงทันทีแล้วหายไปเลยครับเนี่ยผมก็ขนลุกเหมือนกันคือขนลุกเลยเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่ว่าหลายคนหลายเรื่องที่ผมเคยได้ยินได้ฟังมาแม้กระท่านนราการพิจก็มีคนที่บอกว่าทํามำเสียงเลียนแบบหรือทําตัวเรียนแบบเหมือนกับคนที่รู้จัก ผมก็เลยวิเคราะห์ของี่เขาว่าน่าจะเป็นเจ้าพี่เป็นไปได้ไหมคือ ม, มีสิ่งแปลกปมาแล้วก็เลยมาห า, าแล้วพอหาไม่เจอกลับไปก็เลยเริ่มจะเรียกพี่สาวของพี่เขาว่าไปอยู่ด้วยกันใหม่มไปอยู่ด้วยกันใหม่ตลอดจนในี่สุดต้องไปอ่า น, มมน้ํามลถึงไม่หายแต่เรื่องของพี่ท่านนี้ก็จะมีอยู่ที่ประมาณนี้แต่จะมีครั้งหนึ่งซึ่งมันห่างจากจตอนนี้ม า, มากๆก็คือตอนที่ว่าเขาป่วยหนักป่วยหนักเป็นโรคไข้เลือดออก็ไปอยู่หอพักของเพื่อนตอนนั้นทํางานแล้ว เลยมีอยู่อพาร์ตในย่านดังด้วยเป็นย่านเศรษ ฐ, ฐรรกิจด้วยเขาบอกว่านอนเนี่ยเพื่อนในห้องเนี่ยก็เล่นอยู่ด้วยกันสองคนนะแล้วตัวเขาก็นอนอยู่บนเตียงคือตั้งเอาหมอนจริงหลังแล้วก็ตั้งยี่ห้อเตียงเนะี่ยเล่นเอาหมอนไปกันยิ่งแย่กันนะครับอยู่ดีสองคนนะเขาติดไสแล้วกระโดดขึ้นเตียงขึ้นมานอนแบบเงียบอยู่ทางซ้ายเลยนะเขาก็พึ่เป็นอะไรแล้วนะทําไมรีบขึ้นมานอนจังไนะเรียกสองคนนะนะั้นนะแต่สองคนนั้นไม่กระโดดกดิกดเหมือนจะว่า มันเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมใครจะขึ้นจะโดดนอนระ้วหลับเลยมันเป็นไปไม่ได้เลยนะครับเหมือนจะตรงใจที่จะทําเป็นได้ยินเราไม่ตอบอือเขาเรียกกลงขึ้นจนในสุดเริ่มรู้แล้วคือคนเรามีความรู้สึกเวลาจะโดนเนี่ยผมบอกเลยผมเองคนหนึ่งเวลาที่จะแบบว่าจ ะ, จ ะ, จ, ะจะเจอเรื่องแบบพลี้ลับหรือเรามีรู้สึกว่าเราไปในที่ที่บ้านเนี้ยมันต้องมีแล้วแน่เรือ่องวิญญาณเราองมีคามรู้สึกแง่เนี่ยมันมันมันจะเอาและครับเขาบอกคารู้สึกมันมาพอมันมาเสร็จก็ จังหวะที่กว่าสายตาไปในห้องที่มืดๆจะมีไฟจากห้องน้าเปิดไปอยู่นะครับมองไปทางปลายเตียงไปสดุดที่เสาต้นหนึ่มในขณะที่ส ะ, ะดุดอยู่ดีก็มีหน้าโผล่พวดออกมาจากเสานะแล้วก็เดินขดเข้ามาที่เตียงเลบเดินปุ๊บปุุ๊๊มาหยุดอยู่ปลายเตียงเขาเราไปต้องมองหน้าเขาเหมือนกับว่าไม่ได้โกรธไม่ได้เครียดอืไม่ได้จินช้างอะไรนั้นแต่ยืนจ้องแบบตามมองตาครับเขาก็เป็นคนประมาณว่าช็อกเงียบไงแล้วนั่งนิ่งๆอยู่นั้นแหละ นานแค่ไหนไม่รู้อ่ะรู้ตัวผู้หญิงคนนั้นอ่ะยืนอยู่นานมากเพราะเขสังเกตแล้วะเป็นผู้หญิงมีกามนะแล้วก็ผมเส้นใหญ่นะคือสังเกตปลหน้าหมดเลยหน้าเข่ามันทาแป้งเลยะที่สำคัญคือไม่ได้ยืนแน่นอนเพราะว่าเขาอ่ะลอยเหนือปลายเตียงคนอะไรจะสูงขนาดนั้นเป็นไปไม่ได้แน่นอนแล้วสภาพผู้หญิงนั้นก็เดินจับเข้าไปนั่น่ะเขาถึงได้มีสติแล้วก็พุ่ทุกคนขึ้นมาทุกคนก็บอกว่าเขาโดนอัมก็มาตอนหลังมารู้ว่าห้องเนี้ยเคยมีนักศึกษาออจะโดดตึกตาย อ๋อนี่ก็เป็นเรื่องแรกที่เขาฝากมาประมาณนี้นะฮะเพราะว่าเจตหาก็จำกัดด้วยอ๋อหมายถึงว่าเขาเหมือนมีมีเซนต์มีลางสังหรณ์ในกา ร, รเห็นเหมือนเห็นเอาเคสของคุณน้าก่อนเหมือนเห็นล่วงหน้าครับใช<า>่ไหมฮะเพราะว่าอาการที่เขาโดนคุณน้านโดนรถชนเนี่ยปรากฏว่าเป็นลักษณะใกล้เคียงกับที่เขาเห็นในตอนที่เขานอนนอนที่สาวอยู่ในรถของคุณพ่อครับใช่ใช่ไหมฮะ โอ้นะครับแล้วในส่วนของอวิญญาณผีไตหงอะไรสักอย่างหนึ่งสัมภเวสีที่ตามครับมันต้นสายไปเหตุเป็นไงก็ไม่รู้อยู่ดีโดนตามหรือยังไงฮะเขาคงเขาเขาไม่ได้บอกครับว่าไปโดนมันจากป็นไงแต่เขาพูดแค่ว่าหรือโดนวิญญาณผีไตหงตามนะเป็นผู้ชายแล้วมันจะเอาไปอยู่ให้ได้ด้วยเลยอะแต่นี้มันก็ไอ้ตรงนั้นเป็นจุดที่ว่าเป็นเรื่องของพี่สาวว่าจอแต่ที่ผมขนลุกกันก็คือผมวิเคราะห์ว่า แล้วคุณพี่คิดไหมว่าผู้หญิงที่เป็นแม่เนี่ยเป็นเจ้าที่มั่นแหละโอ้ก็อาจะเป็นไปได้นะครับเหมือนเป็น<ว>เจ้าที่เพราะว่าเขาเปิดเข้ามาอาจารย์่เขาบอกเปิดเข้ามาเสร็จแล้วมองหามองกว่าเลยนะเหมือนมองกว่าหาอะไรสักอย่างหนึ่งที่มันอยู่ในความมืดแหละคนปกติไม่ทำเงินอยู่แล้วอย่างน้อยจะเป็นคุณแม่จริงๆเน่ยต้องเดินเข้ามาแล้วเปิดไฟเลยมีอะไรมีอะไรซ่อนไว้ม้างเนี่ยเรากว่าดันไปครับแต่นี่คือไม่มียืนมองหาอยู่ เอามือดันประตูคาไว้งั้ยแหละกวาดสายตาไปเลยพอตัวคุณพี่ท่านนี้ติดตัวคือพี่สาวเล่าว่าพอคุณพี่ท่านนี้ติกตัวปุ๊บเนี่ยก็มอบลงไปก็หมอบลงเลยคือลักษณะคือแบบคือแบบมันไม่ใช่เหตุการ่ค่อยๆก้มนะครับกระโดดพุ่งลงไปเลยอ่ะช่งคนธรรมดาทามันต้องจุกอยู่แล้วหอมลงเนี่ยครับอก็เป็นเรื่องแปลกๆของคุณพี่ท่านนี้นะครับที่เขามาเล่าให้กับคุณคิงฟัง นะครับเรื่องเขาเน้นจำมากเพราะว่าเขาเป็นแฟนขับไปแจ้งแล้วนะเขาติดตามแฟนเป็นแฟนขับเดโกสเขาอยากให้เอกเรื่องนี้มาเล่ามากเลยครัได้ครับขอบคุณฝากขอบคุณพี่เขาด้วยนะคุณคิงนาครับนะครับ